ก็จะมีการบวชสามเณรแล้วก็บวชพระมจริณีนะซึ่งก็เป็นงานประจำปีของวัดป่าสุขก โ, โตไปแล้วนะคำว่าบวชนี่ยเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันดีอาจจะน้อยกับคำว่าบุญแต่ว่าความหมายของทั้งสองคำนี้ คนไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะเข้าใจไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่บวชเนี่ยนะมันก็มาจากภาษาบาลีวปวชะก็คือการเว้นจากความชั่วร้ายหรือว่าเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนี่ก็หมายถึงสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราเองแล้วก็ทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น เมื่อบวชแล้วเนี่ยก็หมายความว่ามาฝึกฝนนะเพื่อให้ทั้งพฤติกรรมและการดำเนินชีวของเราเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ก็คือการมีสีนั่นเองนะอย่างในโอวาทัปปิโมนี่ก็จะพูดไว้ชัดนะนะผู้กาจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบัณชิตเลย บรรพชีวคือผู้บรรพชานั่นเองนะเมื่อมาบวชแล้วก็ก็ระเวัจากการเบียดเบียนทำร้ายสัตว์อื่นชีวิตอื่นหรือว่าผู้อื่นแต่ว่าหลายคนแม้จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะแต่อาจจะเบียดเบียนตนเบียดเบียนตนด้วยการพอกพูนกิเลสหรือว่าพอกพูนสะสม สิ่งที่ไม่ดีเช่นอารมณ์ฝ่ายลบนะในจิตใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะควรจะกำจัดหรือว่าสละออกไปด้วยนะมันก็ตรงกับคำว่าปาวัชชะหรือนะสละหรือเว้นนะเช่นความยึดติดนะใน ก า, นะการจะติดในกามกามนี่ทางโลกก็อาจจะถือว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาให้ความสุขกามนี่ก็หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจนะพูดภาษาสมัยใหม่คือว่าวัตถุสิ่งเสพหรือว่าสิ่งบริโภคซึ่งก็รวมถึงทรัพย์สินเงินทองด้วยนะนะคนสมัยนี้ก็ ถึงขั้นบูชาสิ่งเหล่านี้ว่าจะนำมาซึ่งความสุขหรือไปเข้าจอดเข้าจอดเป็นความสุขอย่างเดียวนะที่รู้จักแต่ก็ไม่ตระหนักว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ก็นามาซึ่งความทุกข์ด้วยโดยเพราะถ้าไปยุดติดนะไปยึดติดห่วงแหนมันเพราะว่าเพียงแค่อยาก มีอยากได้นี่ก็ทุกข์ลวเกิดความร้อนรุ่มร้อนในใจไอ้ความอยากชนิดนี้เราเรียกว่าตัณหานะพอมันมีแล้วก็เกิดความร้อนเราก็อาจจะสังเกตได้เด็กๆเนี่ยนะถ้าเขาอยากได้ขนมอยากได้โทรศัพท์มือถือนี่เขาก็เริ่มจะอยู่ไม่ติดละเริ่มจ ะ, ะเรียกร้องนะจากพ่อแม่ลบเรานะ จากคนใกล้ตัวลบร้อยคนใกล้ตัวอันนี้มันก็มาจากนะความร้อนรุ่มในใจนะเป็นความทุกข์นั่นเองผู้ใหญ่ก็เป็นใครก็ตามที่มีความอยากมันก็ร้อนรุ่มทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือว่าจะแสดงออกมาอย่างไรนีถ้าแบบผู้ใหญ่ก็จะต้องดิ้นลนแสวงหาแล้วนะถ้าเป็นเด็กก็รบเรา้าพ่อแม่ ความที่หลนนี่มันก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องเหนื่อยต้องยากบางทีก็ต้องไปใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเช่นรักขโมยเด็กอยากได้คะแนนดนะีทำยังไงนะถึงจะได้คะแนนดีๆบางคนก็ใช้วิธีการขยันหมั่นเพียรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี เด็กก็ยังทําด้วยความทุกข์นะเพราะว่ามันร้อนอยากจะได้มีความเกรงมีความกลุ้มมีความเครียดเด็กสมัยนี้ก็เครียดมากนะเพราะว่าอยากได้คะแนนมากๆบางทีก็เกิดจากการกระตุ้นการกดดันจากพ่อแม่ด้วยไอ้บางคนอยากได้คะแนนดีๆไม่รู้ทํำยังไงเพราะว่าตัวเองก็ขี้เกียจนะหรือว่าไปเพลินกับของเล่น ก็ใช้วิธีการขโมยนะไปขโมยส ม, มยุดการบ้านไปขโมยชีตการบ้านชีตรายงานจากเพื่อนมีนะมีแม่มีเพื่อนกั น, นุ่งรล่ฟังเนี่ยชีดการบ้านสมุดการบ้านของลูกนี่หายไปไปเจอทีปรากฏว่ามันกลายเป็นของเพื่อนอีกคนหนึ่งไปแล้วเขาเอาลิควิดเปเปอร์นี่ลบชื่อของเจ้าของเดิมแล้วเขียนชื่อของคนที่ขโมย เพื่อจะส่งครูนะถึงขั้นนี้แล้วนะหรืออาจจะมีมานานแล้วก็ได้นะแต่ว่าสมัยตะมาเป็นนักเรียนนี่ไม่ถึงขั้นนี้เพราะว่าขโมยแบบนี้นี่มันจับได้ง่ายมากว่าใครนะใครขโมยหลักฐานมันชัดนะแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้คิดถึงขนาดนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนะถ้าทุกแบบนี้แล้ว ใช้วิธีการที่ชอบทำก็ดีไปถ้าใช้วิธีการที่ไม่ชอบทำก็หนักเกิดผลเสียยิ่งกว่าเดิมนีได้มาแล้วนะได้มาแล้วก็ทุกในการรักษาทุกในการอคอยกีดกันคอยระวังรักษาไม่ให้คนมาขาโมยไปแต่ว่าไม่ว่าจะรักษาอย่างไงในที่สุดมันก็ต้องมีวันเสื่อมพอเสื่อมพอเสียพอหายไปก็ทุกอีกนะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ที่เกิดจากกามหรือทุกข์ที่เกิดจากความยึดติดในกามเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่ารู้จักระรู้จักวางความยึดติดในกามนะมันก็จะทําให้จิตใจโปร่งเบามากขึ้นอาการบวชนี่ก็เป็นการฝึกให้เราได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางคลายความยึดติดจิตใจจจะยังยึดติดอยู่แต่ว่าอย่างน้อยก็เริ่มต้นจากการที่ ลองมาอยู่ง่ายกินง่ายดูนะลองมาใช้ชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยวัตถุสิ่งเสพมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่บวชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนรนะหรือว่าเป็นพระมจริณีซึ่งมางทีก็เรียกว่าเนคขมมะนะหรือว่าพระเนี่ยก็จะต้องนะมีรูปแบบชีวิตที่อยู่ง่ายนะมีแค่ บริการไม่กี่อย่างนะอันนี้เพื่ออะไรไม่ได้เพื่อให้มาลำบากนะแต่เพื่อได้ให้เรียนรู้ว่าให้มารู้จักความสุขอีกชนิดหนึ่งนะเป็นความสุขที่ไม่อิงวัตถุเป็นความสุขที่ไม่อิง ก, ก, การมแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการสละออกไปอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าเนคขมมากเหมือนกันนะเด็กผู้หญิงมาบวช พรามจริณีหรือว่าเนคขมมะบางทีก็ไม่รู้เนคขมมะมันแปลว่าอะไรคือออกจากกรามนะออกจากกรามก็คือว่าอยู่แบบง่ายๆนั่นเองนะไม่พึ่งพิงอิงอาศัยวัตถุสิ่งเสพเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความสุขที่ดีกว่านั้นนะที่มนุษย์เราควรจะเข้าถึงหรือมนุษย์เราควรจะรู้จักยิ่งถ้ารู้จักตั้งแต่เด็กนะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ เด็กสมัยนี้ก็จะรู้จักความสุขประเภทเดียวคือความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุอาศัยสิ่งเสพอาศัยการบริโภคเช่นดูหนังกินไอติมหรือว่าไปเที่ยวห้างหรือว่าไปาฟังคอนเสิร์ตไปดิสนีนย์เวิล์นะไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของการบริโภคทั้งนั้น บริโภคทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแล้วก็รวมทั้งทางกายด้วยนะทางกายนี่ที่เด่นชัดคือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แต่ที่จริงมันก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้นะการที่จะนอนก็ต้องนอนเบาะนะจะนั่งก็ต้องนั่งเบาะหรือว่าต้องอยู่ในห้องที่ติดแอรนะ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการสัมผัสทางกายซึ่ง ใครๆก็คิดว่าเนี่ยความสุขมันต้องมีแบบนี้แหละแต่ที่จริงมันมีความสุขที่ละเอียดกว่านั้นที่ประเสริฐกว่านั้นเป็นความสุขที่เกิดจากการละในทางโลกนี่ความสุขต้องเกิดจากการมีการได้มากๆการเสพเยอะๆะยิ่งมีมากก็ยิ่งถือว่ามีความสุขหรือว่าประสบความสําเร็จสมัยนี้ก็วัดความสําเร็จความสุขกันว่า มีเงินในธนาคารเท่าไรนะมีรถกี่คันนะมีโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนนะมีบ้านกี่หลังนะอันนี้คือสิ่งที่วัดความสาเร็จทางโลกหรือว่าชื่อว่าจะเป็นที่มาของความสุขแต่ว่าในทางธรรมนี่ความสุขไม่ได้เกิดจากการมีการได้มากๆแต่คือเกิดจากการสละออกไป เริ่มจากการให้ทานนะการให้ทานก็เป็นการสละอย่างหนึง่งให้สิ่งของสลับบางคนก็คิดว่าโอ้การยิ่งให้นี่ยิ่งก็ยิ่งทุกข์เสีย น, นะแต่ทางพุทธเนี่ยในทางธรรมถือว่าการให้เนี่ยมันเป็นที่มาแห่งความสุขอันนี้พูะเจ้าถึงส่งเสริมการให้ทานเด็กนี่ก็คงรู้สึกได้นะเวลาเลี้ยงสัตวนะ์เอาอาหารให้สัตว์เนี่ยเด็กมีความสุข เอาอาหารให้หมาอาหารให้แมวอาหารให้กวางนะเด็กก็มีความสุขจากการให้อันนี้แหละคือตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆต่อมาก็ให้สละให้กับผู้ที่เดือดร้อนทุกยากหรือแม้กระทั่งเพื่อนนะที่เขาอาจจะเดือดร้อนบางทีก็ให้ดินสอให้อย่างลบเขานะเขาไม่มีนะก็ให้เด็กก็จะพบ ก, กับความสุขในใจ ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอันนี้ ว, ว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการสละหรือความสุขจากการให้คุยวิาจารณ์ว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขนะบ่อยครั้งเนี่ยความทุกข์ของผู้คนในสมัยนี้เกิดจากการที่พยายามที่จะเอาหรือพยายามที่จะแย่งจากผู้อื่นหรือหาประโยชน์จากผู้อื่นเดี๋ยวนี้มีความทุกข์นะ ระหว่างเพื่อนบ้านนะบ้านจัดสรร น, นี่หลายคนนี่อยู่กันอย่างมีความทุกข์เพราะว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านเพราะต่างคนอ ย, งอย่างจะได้ประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งจะให้ฝ่ายหนึ่งเริ่มจากเริ่มจากการให้นะมีขนมนะมีของก็มาให้กับเพื่อนบ้านบางทีจะได้ความสุขกลับมาเลยมีพ่อค้าคนหนึ่งเขาขายของอยู่ที่จตุจัก ข้างๆหรือที่ติดกับร้านที่ติดกับเขานี่ก็เป็นร้านที่เพิ่งมาใหม่นะเจ้าของเพิ่งเพิ่งเซ้งมาได้นะอยู่ได้ไม่กี่วันนะก็แสดงลิสเดตนะเอาป้ายโฆษณาสินค้าเข้าใจว่าขายภาพขายโปสเตอร์นี่แหละไอ้ป้ายนั้นก็เอามาวางล้ำขวางบังหน้าร้านเขานะ ล้ำเข้ามาเนี่ยถึงหนึ่งในสามตัวเจ้าของร้านคนนี้เนี่ยหมายถึงตัวเจ้าของร้านที่ถูกเบียดบังเนี่ยสมมุติชื่อว่าอาสมชายก็แล้วกันเนี่ยเขาก็ไม่พอใจนะแต่เขาก็อดกลั้นความไม่พอใจไว้ได้ก็พฤติกรรมนี้ก็รู้รเลยนะวันนี้สายใจคอของอีกร้านหนึ่งเป็นอย่างไรถ้าเป็นทางโลกนี่ก็ต้องไปด่าไปว่าหรือไปฟ้องนะแต่ว่าในทางธรรมนี่ เขารู้ว่านั่นไม่ใช่วิธีการที่ดีวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะเขาก็ออกไปข้างนอกกลับมาที่ร้านเขาก็ก็หิว้วผลไม้มานะสองประมาณสองสามกิโลได้เอามาทำไมนะเอามาเอามาให้กับเจ้าของร้านที่ติด ก, กับเขานะสมมติว่าชื่อเฮงกันแล้วกันนะเอามาให้เจ้าเฮงนี่ก็งงเลยนะเอ๊ะ ด, ดีมาให้ได้ยังไงทีแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะรับดีไหมนะพ อ, อสมชายก็บอกว่าเนะี่ยรับเถอะนะผมเนี่ยไปออกไปข้างนอกมาเห็นร้านผลไมน้นี่ถ้าถังอร่อยก็เลยซื้อมาฝากนะเราเพื่อนบ้านกันนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันพอพูดอย่างนี้นะเฮเขาก็เออเขาก็รับแล้วกอขอบขอกขับใจใหญ่ แต่แล้วตอนนี้ก็เริ่มคุยกันดีแล้วพูดจาสนิทสนมเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานนะก็แนะนำตัวพูดกันไปนะพักใหญ่แล้วก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานพอรุ่งขึ้นปรากฏว่าเปิดร้านไอ้ป้ายที่เคยขวางหน้าขวางหน้าร้านเขาบางหน้าร้านเขาที่หายไปเลยสมชายก็เลยไปถามเพ่งว่าเนี่ยป้ายนี่หายไปเมื่อวานนี่ยังเห็นอยู่เลย เฮงก็บอกว่ามันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันอยู่ในบ้านอยู่ในร้านผมนั่นแหละอา้าวทำไมไม่มาวางไว้อย่างเดิมล่ะเฮงก็บอกว่าน่าเกลียดวางไว้ตรงนั้นน่าเกลียดนะมันจะไปบางร้านเฮียหมดนะเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาซื้อของไม่สะดวกนะบอกว่าเฮง น, นี่เขาเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยนะจากการที่เอาเปรียบเพื่อนบ้านนะพอเพื่อนบ้านมีน้าใจนะเขาก็ รู้จักเกรงใจเอาป้ายเก็บใส่เก็บเข้าไปในร้านเองอันนี้ผลที่ได้คืออะไรก็เกิดความสงบสุขนะเป็นความสุขที่เกิดจากการให้เป็นความสุขที่เกิดจากความเอื้อเฟื้อเนะมื่อเอื้อเฟื้อเพื่นบ้านนะก็ได้รับความาเกรงใจกลับมาความสุขก็เกิดขึ้นอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่ผนะู้ให้ความสุขยอมได้ละความสุข การให้มันไม่ใช่เป็นว่าต้องให้กับพระต้องถวายกับวัดอย่างเดียวนะการให้ทานบางทีเราก็ให้กับเพื่อนบ้านให้กับคนที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดือดร้อนนะแต่ว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลมันก็นำมาซึ่งความสุขแต่นอกจากการสละสิ่งของแล้วนะ การสละที่ยากไปกว่า น, นั้นแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือการสละอารมณ์นะเครื่องเศร้าหมองนะสิ่งของนี่เราหวงแหนนะการสละออไปเนี่ยบางครั้งก็ยากเพราะมีความยึดติดถือมั่นแต่ว่าอารมณ์นะความโกรธความทุกข์ความเศร้าความเบื่อความเสียใจพวกนี้มันไม่เห็นดีตรงไหนเลยนะแต่ผู้คนส่วนใหญ่นี่กลับหวงแหนเอาไว้ แปลเหมือนกันนะคนเรานี้ไม่ได้หวงแหนเฉพาะสิ่งที่ดีที่ให้ความสุขกับเรานะสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราแล้วก็หวงแหนโดยเฉพาะอารมณ์ข้างในใจนะอันนี้หวงแหนเพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะเห็นว่ามันดีนะแต่เป็นเพราะลืมตัวให้การสละออกไปก็สำคัญเหมือนกันนะเราต้องรู้จักสละสิ่งนี้ออกไปแลวการบวชนี่ก็เป็นโอกาสนะในการที่เราจะได้มาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ เรียนรู้อะไรนะเรียนรู้เรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้ว่าความทุกขความทุกข์นี่มันไม่ได้เกิดจากคนอื่นอย่างเดียวที่จริงความทุกข์จากคนอื่นนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากไอความทุกข์ที่เกิดจากการสะสมพ่อคูดกิเลสหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีในใจเช่นอารมณ์นะมันไม่ใช่แค่ความโลภนะมันรวมถึงความโกรธความเศร้าความอิจฉาความพยาบาทหรือความรู้สึกผิด สิ่งเหล่านี้มันก็บีบคั้นกรีดแทงเผาลนจิตใจเราเหมือนกันไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่รู้แล้วแต่เจอสิ่งเดียวกันทุกเพราะเรื่องเดียวกันแต่ว่าทําไมถึงหวงแหนเอาไว้ก็เพราะไม่รู้ตัวเพราะลืมตัวเวลาโกรธเนี่ยเราลืมไปเลยนะว่าความโกรธนี่กำลังเผาใจเราเพราะตอนนั้นเราคิดแต่จะ ว่าเขาคิดแต่จะหาทางตอบโต้เขาคิดแต่จะหาทางแก้แค้นเขาจิตมันส่งออกนอกไปหมดเลยมันลืมกลับมาดูใจาการบวชเนี่ยนะมันเป็นโอกาสให้เราได้มาดูใจของเรานะแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะสละอารมณ์ที่บีบคั้นเผาลนกรีดแทงใจออกไปอันนี้เราใชยการดูกลับมาดูใจนะกลับมามองตนซึ่งก็ สวนทางกับวิธีของทางโลกนะวิธีของทางโลกนี่นะมุ่งส่งจิตออกนอกนะไปจัดการเวลามีความทุกข์ก็ไปมุ่งคิดจัดการกับสิ่งภายนอกมีความทุกข์ก็ไปจัดการกับสิ่งภายนอกว่าทําไงคนอื่นเขาจะทําตัวเรียบร้อยกับเราทําไมเขาจะยังทำไงเขาจะพูดดีกับเราทําไงเขาจะไม่ไม่ด่าว่าเรา นะหรือว่าอากาศร้อนก็ทำยังไงจะให้อากาศมันเย็นมันสบายทางโลกจะมุ่งไปทางนั้นคือมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงจากข้างนอกไปจัดการกับสิ่งนอกตัวเพื่อให้เราได้สุขสบายแต่ในทางธรรมเนี่ยมุ่งที่กลับมามองตนนะแล้วก็เพื่อที่จะค้นพบว่าอะไรที่มันทำให้เราทุกข์ใจอะไรที่มันทำให้เราเดือด ร, ร้อนใจ ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันไปคนละทางสวนทางกันทางโลกนี่ยิ่งมีนะียิ่งมียิ่งดีเพราะคิดว่าความสุขเกิดจากการมีการเสพการบริโภคการมีเยอะๆนะแต่ทางธรรมนี่ยิ่งสละออกไปยิ่งมีความสุขยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับความสุขทางโลกนะมุ่งส่งจิตออกนอกไปจัดการเปลี่ยนแปลงครอบครอง นะสิ่งต่างๆนอกตัวรวมทั้งวิชาทั้งโลกนะั้นก็จะเป็นสิ่งนี้นะไปเรียนเรื่องนอกตัวซะเยอะแต่ทางธรรมเนี่ยกลับมามองที่ตัวเองมองด้านในนะเพื่อจะได้เห็นรู้ทันกิเลสและอารมณ์ที่มันเผาลนนะเสียแทงบีบคั้นจิตใจเมื่อรู้แล้วการสละออกไปก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะ ในยามที่เราเผลอในอยามที่เราหลงในยามที่ในยามที่เราไม่รู้ตัวแต่พอเรากลับมาดูใจเราก็จะรู้ตัวนะเมื่อเรารู้ตัวไออารมณ์เหล่านี้มันก็หาที่ตั้งไม่ได้นะมันมาในยามเผลอนะเหมือนกับโจรเหมือนกับขโมยเนี่ยเข้าบ้านเมื่อเจ้าของบ้านเผลอนะแต่พอเจ้าของบ้านไม่เผลอรู้ตัวนะมันก็ เพียงแค่เห็นหน้ามันเพียงแค่สบตามันมันก็หนีไปแล้วนะโจรสมัยนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าโจรสมัยก่อนนี่นะเพียงแค่เจ้าบ้านเนี่ยรู้ว่ามันแอ บ, บเข้ามาเนี่ยมันก็อายมันก็ถอยมันก็หนีไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่เรารู้ทันมันก็พอแล้วโจรที่แอ บ, บมา ัดเยืความทุกข์ให้กับจิตใจของเราหรือมาสร้างความปันป่วนให้กับจิตใจของเรามันก็เหมือนกันมันมาในเวลาที่เราเผลอไม่รู้ตัวเวลาที่เราหลับไหลหรือเวลาที่เราส่งจิตออกนอกนะแต่พอเราไม่หลับไหลลนะมันทันทีที่มันย่างเท้าเข้ามาในบ้านเราก็รู้ทันทีไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ พอรู้ว่ามีโจรแอ บ, บเข้ามาในบ้านเราก็หันไปมองแค่นี้แหละมันก็อายมันก็ยอมล่าถอยหนีไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเรามันก็เจ้าของบ้านที่มัวแต่ทำอะไรก็ไม่รู้นะบางทีขโมยเข้ามาจนจนถึงห้องนอนชั้นสองชั้นสามแล้วยังไม่รู้อีกนะเนี่ยนี่คือสภาพของคนที่ปล่อยให้ความโกรธความ เศร้าความเสียใจความขับแค่เนี่ยมันเล่นงานจิตใจเป็นวักเป็นเวียนจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แสงก็ปล่อยให้มันเข้ามาลุกลานจิตใจของเรานะเรียกว่าเป็นวันเป็นคืนทีเดียวเราอย่าปล่อยให้มันลุกล้ำเข้ามาไกลขนาดนั้นนานขนาดนั้นนะถ้าเราไหวพอเราฝึกจิตไว้ได้ไวพอเนี่ย เพียงแค่มันย่างเท้าเข้ามาในบ้านเพียงแค่มันผ่านประตูรั้วเข้ามาเนี่ยเราก็รู้แล้วไม่ว่าเราทำอะไรอยู่อะไรที่ทำให้เรารู้นะก็คือสตินะสติมันทาให้เรารู้ทันได้ไวนะไม่ว่าเราทำอะไรนะพอใจมันมีกิเลสเข้ามาครอบงาเราก็รู้ทันอย่างเราเดินจงกรมเรายกมือสร้างจังหวะนะ ขณะที่เรากําลังยกมือสร้างจังหวะบางทีใจนี่มันเผลอไปแล้วคิดไปโน่นคิดไปนี่บางคนกว่าจะรู้ว่าใจเผลอคิดไปไม่ได้อยู่กับการสร้างจังหวะไมไ่อยู่กับการตามลมหายใจหรือว่าการเดินจงกรมนี่ก็คิดไปแล้วเจ็ดแปดเรื่องเก้าสิบเรื่องนะอันนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวสติอ่อนสติเชื่องช้า แต่พอเราจเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะสติมันก็จะไวมันก็จะรู้ทันความคิดแล้วก็รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่จะปล่อยให้มันเผาลนจิตใจเราเป็นวันเป็นคืนหรือว่าเป็นชั่วโมงนะเพียงแค่มันเกิดขึ้นไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วินาทีเราก็รู้ทันไฟเนี่ยถ้ามันเพิ่งเกิดนะมันดับง่าย แต่ถ้าเราปล่อยให้มันลุกลามเป็นชั่วโมงเนี่ยมันกลายเป็นไฟป่าที่ดับยากนะแล้วถ้าปล่อยให้มันลามเป็นวันเนี่ยบางทีแม้กระทั่งกองทัพนะก็ดับไม่ได้นะไฟไหม้ป่าในเมืองไทยหรือไฟไหม้ป่าในหลายประเทศเนี่ยมันไล่มันมันไหม้เนี่เป็นเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันตารางกิโลเมตรเนี่ยคราวนี้เนี่ยมีเครื่องบินกี่ลำนะก็ดับไม่ไหว เพราะว่าเอาไม่อยู่มันมันแรงมากมันลามไปได้ไกลแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะเด็กก็ไม่ต้องทำอะไรมากในบางทีเด็กแค่ฉี่นะนะมันก็ดับแล้วเพราะว่าไฟมันไม่อในที่แคบแคบอารมณ์ก็เหมือนกันนะถ้าปล่อยให้มันลามนะมันก็จะเผาลน เล่นงานจิตใจจนทีเร า, เาไม่อยู่นะพอเอาไม่อยู่นี่มันุ้ยทำยังไงนะก็ตัดสินใจนะฆ่าตัวตายเพราะทนไม่ไหวแล้วไม่รู้วจะทำยังไงกับไออารมณ์ความคิดที่มันลุกลามเผาลนจิตใจอันนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นเพราะปล่อยให้มันลามจนเอาไม่อยู่แต่ถ้าคนที่เขาฝึกสติดีนะพอแค่ใจกับเพื่มเท่านั้นแหละพอแค่มีวูบอารมณ์เกิดขึ้น พอแค่มีสปราร์กประกายไฟประกายแห่งความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้ทันรู้ทันแล้วก็ดับมันอันนี้เราก็คือความหมายของคำว่าปวาวัชชะการบวชนะคือการเว้นการละการบวชในความหมายที่เป็นการลดการละการเว้นนะให้เราเข้าใจให้ดีนะว่ามันไม่ใช่หมายถึงการที่เราจัดละเว้น การกระทำที่ไม่ดีที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าการผิดศีลเท่านั้นแต่ว่าความหมายที่เลือกไปก่อนนะั้นคือการที่เราสามารถที่จะละเว้นหรือสละนะสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับจิตใจออกไปซึ่งถ้าเราทำได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่านอกจากไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วนะก็ไม่เบียดเบียนตนด้วยและสิ่งที่ตามมาคือความสุขข้างใน การบวคือการที่ทําให้เราเได้รู้จักความสุขที่ประเสริฐที่ประนี ก, กว่าการพึ่งพิงอิงอาศัยวัตถุสิ่งเเสพสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะสําหรับเด็กเพราะว่าเด็กทุกวันนี้เเขาได้รับการปนเปื้อด้วยวัตถุสิ่งเเสพมากมายจนกระทั่งคิดว่ามันมีแค่ความสุขชนิดเดียวแหละก็คือความสุขชนิดเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยลุ่มหลงนะใน สิ่งเสพในวัตถุจะต้องแข่งกันมีวัตถุมากๆเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์กระเป๋าวันนี้ก็แข่งกันว่าใครได้ไปดูคอนเสิร์ตเรื่องอของคนนั้นคนนี้นะเพราะาคิดว่านั่นแหละคือความสุขอย่างเดียวที่เขารู้จักที่เขาที่จะมีได้แต่ถ้าเขาได้รู้จักความสุขที่ประเสริฐกว่านั้นนะเช่นความสุขจากชุดที่เรียบง่ายความสุขจาก <c oughs> การ ทำสมาธิความสุขจากการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่รบกวนจิตใจมันจะเป็นความสงบนะมันจะเป็นความสงบใจนะซึ่งเด็กเนี่ยสามารถจะสัมผัสได้ง่ายที่จริงก็สัมผัสได้ง่ายกับผู้ใหญ่เพียงแต่ว่าเขาถูกสิ่งแวดล้อมนะแต่เรียกว่ากล่อมกลาหรือชักชวน จนกระทั่งไปเข้าใจว่ามันมีแต่วัตถุเท่านั้นที่จะให้ความสุขแก่ตัวเองได้มันมีแต่สิ่งเสรสิ่งบริโภคเท่านั้นไม่ว่าจะบริโภคทางปากทางตาทางหนะูเท่านั้นซึ่งเรียกง่ายๆว่ากามไปม า, มาก็เลยการพวกที่ลุ่มลงในกามเนีเป็นกามสุขะริอกานิยมประเภทหนึ่งซึ่งผู้เจ้าเนี่ยถือว่าเป็นทางสุดตรงนะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพอเป็นผู้ใหญ่ก็จะหนักข้อขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าได้มารู้จักความสุขนะที่ประเสริฐความสุขที่เกิดจากการสละนะความสุขที่เกิดจากการให้ความสุขที่เกิดจากการวางความสุขที่เกิดจากการปล่อยรวมทั้งความสุขที่เกิดจากการทําความดีนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะต่อชื่อของเขามากขึ้นจะทําให้เขาเนี่ยไม่เพียงแต่มีรู้วิชาทางโลกเท่านั้นแต่ว่า ยังมีความเข้มแข็งในเรื่องวิชาชีวิตด้วยเด็กเนี่ยถ้ารู้แต่วิชาทางโลกนะหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยรู้จักแต่วิชาทางโลกแต่วิชาชีวิตนี่ไม่รู้เลยนะก็จะเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากมีคนพูดว่าการศึกษาเนี่ยก็คือการทำให้ฉลาดในเรื่องหนึ่งแล้วโง่อีกเรื่องหนึ่งเด็วนี้มันเป็นอย่างนี้มากทีเดียวนะ ก็คือว่าการษารทำให้ฉลาดในเรื่องทางโลกแต่ว่ากับโง่ในเรื่องวิชาชีวิตนะแต่ถ้าเรามาเติมมาเสริมวิชาชีวิตให้กับเด็กนะหรือให้กับตัวเองนะเช่นการมาปฏิบัติธรรมนะการมาลองได้ใช้ชีวิตที่เรียกว่าเนคขมมะเนคขมมะนี่มันไม่ได้ใช้กับผู้หญิงเท่านั้นนะใช้กับคนทั่วไปนะการบวชนี่คือการ บำเพ็ญเนคขมะบารมีอย่างหนึง่งไม่ว่าจะบวชเนรหรือว่าบวชพรหมจรินี้ก็ตามหรือบวชพระนี่ก็เป็นการเจริญเนคขมะบารมีคือการพาตัวเองออกจากกามออกจากความยึดติดในกามเพื่อได้เข้าถึงความสุขที่ประณีตที่ประเสริฐกว่ากามอันนี้ก็ต้องอาศัยวิชาชีวิตนะอาศัยการปฏิบัติธรรมซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้มีความสุขทําการงาน ก็อาศัยวิชาชีพเข้าไปเสริมทำงานก็ทำงานอย่างมีความสุขไม่เครียดนะไม่กังวลรู้จักปล่อยรู้จักวางการทำงานนี่ก็ต้องอาศัยการปล่อยวางเหมือนกันนะอาจารย์พุทธทาสท่านพูว่าเนี่ยให้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามไม่ใช่งานทางทางธรรมงานทางโลกก็ต้องอาศัยจิตว่างเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเครียดคนทุกวันนี้เครียดเพราะงานเยอะ แต่ถ้ารู้จักวางนะก็จะทำงานได้มีความสุขแล้วงานก็จะออกมาดีด้วยเรียกว่างานได้ผลคนก็เป็นสุขนะไม่ใช่ว่างานได้ผลแต่คนนิยาแย่ป่วยเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคความดันเป็นโรคหัวใจนะเป็นเงินมากนะบางคนเนะมื่อเร็วๆนี้ซ e o บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งตายหัวใจวายตายอายุ40เท่านั้นแหละ ท่านังที่ออกกําลังกายวิ่งจ็อกกิ้งเป็นประจํานะีแต่ตายเพราะโรคหัวใจหัวใจหัวใจวายคนก็สงสัยว่ามันทําไมถึงตายนะออกกําลังกายก็ออกนะอันนี้ผลเพราะว่าเครียดนะเครียดทํางานด้วยความเครียดก็เลยนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับนอนน้อ ย, อยมางทีทําให้ร่างกายย่าแยนะ่เพราะฉนั้นถึงจะออกกําลังกายนะแต่ว่าทํางานด้วยความเครียดไม่รู้จักปอรู้จักวางก็ตายเร็วเหมือนกันนะ เอาละชาญิก